หากเป็นหน่วยสูงๆให้กันก็ได้ครัเมื่อวานนี้เราไปกนตัวทักเกลือขึ้นข้างนอกตื่นเช้าด้วยเรื่องใหญ่บเวลาเดินเลยรถจะขึ้นรถไปดูทไหนกันบ้างแต่ะทศเล่นกันพอตุ๊กตาดิสก์ต่างๆก็เล่นไป่น ก็ดูเดินสติเกิดก็ได้แบบนี้แหละไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ช้าแต่ไมนต้องก้าวหรือขาดสติสิบคั้แล้วคนเดินช้ามากใจก็ลอยแสบบแสบีไปเรๆเราไม่ได้ฝึกเราถ้าเดินสวยๆไม่ได้ฝึกเราเวลาเราฝึกเรสติอย่างเราเดินไปแล้วเราคนตั้งใจจะเดินไม่ได้ ห้าร้อยเที่ยวไปกลับมารีบรีบเดินไได้หมดห้าร้อยเที่ยวเลยหรือหรือบางนแยากเดินสองชั่วโมงเดินไปแล้วต้องให้มันหมดเวลาไม่ได้อะไรขึม้มนนะตายเ ล, า ล, าลา่าเปล่าไปสองชั่วโมงตื่นทำสติจำเ ม, มื่อวานเด็กเดินดเล็กที่ก็ให้มาเดินให้มาเดินให้ดู น, ดนเ ะ, ะเดินเอาสติไม่ใช่เดินเอาท่าเาทาง ก็ต้องหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงๆไม้ได้เป็นที้สำคัญมากถ้ายังคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเดินจงกลมเวลานี้เดินแบบไม่ต้องมีสติก็ไม่ใช่เวลาปฏิบัติเองใช้ไม่ได้ดีนะวันนี้ใจเป็นันขยันมัเลยขยลยขนเน่ไหมนะตาอตี่้อนน่เหมือนกัน ตัวที่เารายนดิดสียเยแล้ว็มตัวเงิที่เป็าพ่่างสมิทการงเมือขาไปแต่แค่ไไม่เป็นใจก็ป็ไปก็ยปตวเินเงินหละเนแดีที่รนทางร่างกายมีหมดจิตใจของเราในช่วงที่กายกับจิตยังเป็นรวมกันอยู่ ถ้าฝึกไปนานจนวันที่เราวางจิตได้ปลอยวางจิตได้ทันนั้นถึงจะไม่มีผลแต่ถ้ายัางเรายัางยึดจิตอยู่กายกายมีฮอร์โมนมีอะไรจิตปฏกิิขึ้นมากระเพื่อนกระเพือนนั้นมันจะยั่วยุให้โมโหงห่ายโมโหง่ายอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้ว่าผู้ชายเนี่ยมันภาวนายากกว่าผู้หญิงนะผู้ชาย ม, มีความต้องการทางเพศขึ้นมา มันมีส่วนเกินทางร่างกายีมันก็ควรมันจะคอยกระตุ้นนิคิดในเรื่องกลางนี่ผู้หญิงมันจะผู้หญิงไม่ทองท้องแค้ทองคำอะไรขึ้นมามันควนนี่มันจะควรให้เราเกิดโภสัพเราก็ไปดูไปแต่ถ้าวันใดใจเราเราวางคอยวางจิตได้นะอันนี้ไม่ควรเป็นใจครับวรแต่กายนะ กายก็สุขควรไปตามธรรมดานะใจนะั้นมีแต่ความสุขล้วนๆมันบวมมันป่วนให้เกิดัวสะไม่ได้การตืงเใหม่โอ้โวันนี้ดีขึ้นแล้วเปที่สามคือไม่ไม่ต้องถึงยี่สิสี่ชั่วโมงหรอกปฏิบัติตลอดเวลาที่เราตื่นเลยใ่เวลาหลับก็ต้องหลับนะมีหน้าที่หลับร่างกายมีหน้าที่ต้องนอน เราต้องให้เขนอนมีหน้าที่กินต้องให้เขากินแต่เวลาที่ตื่นให้รู้สึกไม่เป็นไรเราไม่ได้ทําหากินไม่ต้องเป็นแย่งไปทํางานตอนเช้าตื่นตอนไหนก็ให้รู้สึกตัวตนนั้นหละแต่จริงๆแล้วใจนอนนิดเดียวนะร่างกายนอนเยอะแต่จิตจะนอนนิดเดียวตั้นๆนิดเดียวก็ขึ้นมาทํางานนะถ้าเรฝึกสติจนอัตโนมัติเนี่ย ร่างกายยังนอนอยู่นะแต่จิตมันเคลื่อนไหวเนีมันเริ่มดูดได้แล้วมันดูดได้รู<ม>้ไม่ขึ้นนะสั่งให้กระดุกกดิกอะไรเงี้ยร่างกายกระดิ ก, ก, ดกไม่ได้แล้วแต่ว่าจิตใจขยับไปเยื่อเคลื่อนไหวเกิดกุศลนะกุศลสุดทุทสสกรู้หมดเลยเฉ็นการปฏิบัติเนี่ยเราดูจิตชนำนิชานาเ น, นะปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนเลยยกเว้นช่วงที่จิตลงรวังไปช่วงที่จิตต้องไปทํางานที่ต้องคิด นับนั้นนะ้ทาจะทำได้ตลอดเวลาเลยดีแล้วดีครับคุณบางออนสาวเชียงใหม่สามคนที่พาวนาดีแล้ ว, ว น, นี้ตามดีตามดีดีได้แต่วันนี้ยังสะับของไว้นิดนึงรือหรอไหมอยากาควบคุมตัวเองนิดนิดหรือขาดของโยกใจก็ยังมีโมหานิดหน่อยรู้หรอกใช่ไหมโยกใช้ได้และ ลุกตางยขก้นับตกใจได้ที่ไหวเยกเนงเลอะไรนะน้องเหมอ้เา้ัแต่ดีแล้ววันนี้ใจตื่นแล้วตื่นไปเมื่อวานนี้ยังมีโมหะเจืออันนี้ใจมันตื่นขึ้นมาลุยกับโมหะ ีบเียบมหอนี่เดียวไม่เป็นไรเพราะว่าขนาดนี้ใช่ได้แล้วไม่เป็นไรเราไม่ได้ทางานแล้วเกษียณแล้วและพวกเกษียณตัวเองเข้าวัดโยงเบอร์แปดกนนีเา่ สติเกิดเองสบายที่เราฝึกก็จนกระทั่งมันอันตโนมัตินะอัตมัติตรงที่อัตโนมัติเนี่ยสําคัญมากเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะมันย้อนดูจิตอัตโนมัติไม่เจือด้วยความจงใจเพราะฉะนั้นการที่สติประลึกเรื่องระลึกแบบที่เรียกว่าเป็นจิตที่เรียกว่าสังขาริกังเกิอเองจิตตัวนี้มีกุศลอย่างแรงเกิดได้เอง สติระลึกขึ้นเองระลึกขึ้นเองตัวนี้สําคัญตรงที่ว่าจะต้องให้ระลึกได้เองโดยที่ไม่เกี่ยด้วยความโกรธใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอริยมรรคจะเกิดตอนไหนอันที่เราคอยรู้คอยดูนะสติระลึกได้เองระได้เองถึงจุดที่กําลังมันเพียงพอความรู้สึกคะแน น, นหนึ่งเกิดขึ้นนะจะเป็นกูตลนเรือกูต้นก็ได้มันเกิดสักว่าระลึกอย่างแท้จริงขึ้นมาไม่ทําอะไรต่อนะ ที่เกิดได้ยมรรคเลยบางคนเห็นหน้าคตอยู่ เ, เนเห็นจิตที่กังวลอยู่เห็นจิต ท, ที่กังวลเห็นปั๊บใจมันเคยรู้เคยดูจนเคยชินอัตโนมัติรู้แล้วไม่ทําอะไรต่อเนี่ยตรงนี้ก็สําคัญนะก่อนจะรู้ไม่ได้ตั้งใจจะรู้ไม่ได้จงใจจะรู้มันะระลึกเองรู้แล้วก็ไม่ทําอะไรต่อตรงที่ไม่ปลุกต่อเนี่ยก็สําคัญมากงั้นวันที่สมเนี่ยตอนนี้รู้โดยไม่ปลุกต่อแล้วดึงไปเรื่อย อย่างวันนี้จิตใจขนาดอย่างนี้ธรรมดาอย่างนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ถ้าคุอติดตามอย่งเวลากายมันเจ็บป่วยนะกายส่วนกายแยกได้ไหมใ่ส่วนกายจิตส่วนจิตกายมันตึง รู้สึกว่าหมอนและดึงไม่ดียังอย่างเดิมะท่กำลงที่อน่างอ่นท่ากลังมีการรันอนมจามหมอนคจะเ็นด้วยยางยืดแล้วเห็นที่ที่ตัวอ ต้อไปทำบ่อยๆวนลเวลาที <S <S ่สองเนี e ่ยเขาจะพูนเขาเยเเยหนุนที่บ้านเนี่ยก็คือจะมตักงาเรื่องกาหมาะาอทะหุนเอ่พอมวนอที่ังไม่ได้้นเนเอกาหรวพี่น้องี่ยังมเนนี่้าจะไอารบจ เรงนั้จิตมันลงระวังจิตมันจะลงระวังเป็นระยะระยะลงทั้งวันนะไม่ใช่ว่าลงตอนเข้าฌานหอกจิตพอขึ้นวิถีขึ้นรับอารมณ์ไปนะเส็มอารมณ์เต็มที่แล้วตบระวังมันจะมีช่องว่างมางขั้นหนึ่งไม่มีกายไม่มีจิตอะไรหายไปหมดแล้วเดี๋ยวจิตลงใหม่ก็เกิดขึ้นลก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็มีช่องว่างมางขั้นเรื่อนี้มือนกันที่เรามีสติมีกัญญาเห็นได้อย่างเนี้ยสันสติคันขาดละ ความต่อเรื่องหลงขาดแลแต่เดิมเราไม่เคยเห็นความขาดไปของของจิตนะเราคิดว่าจิตมีดวงเดียวจิตของเราตั้งแต่เด็กๆจิตอยู่นี้ก็ดวงเดิมแต่การที่เราฝึกจนกระทั่งมีปัสจุบัยานมันเกิดเราเห็นความเกิดดับจริงๆนะจิตเกิด ข, ขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างมาข้ามันนึงดวงใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้หมอดูวบอกแล้วฉะนั้นจิตไม่ใช่ดวงเดิ ม, มจิตมีความเกิดดับ การที่เราเห็นว่าจิตเกิดดับเกิดดับคืนนี้สําคัญมากนะถึงวันหนึ่งเนี่ยใจมันจะยอมรับใจจะยอมรับความเป็นจิตว่าจิตนี้เกิดดับจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีกถึงตรงนี้แค่เข้าถึงธรรมะดีนะฝึกไปไม่ได้ผลดีนะวันนี้รายงานการปฏิบัติน่าฟังน่าฟังล้วนๆเลยฝึกไปตั้งหลักให้ถูกก็คือฝึกไปจนสติมันเกิด ส ต, สติมันเกิดใจม mm hmm. ันตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูพอสักว่ารู้สักว่าดูเนี่ยมัน st จะเห็นตามความเป็นจริงเป็นตามความเป็นจริง่าคนเห็นจิตมันเกิดดับมีช่องว่างเหมือนั้นบางคนเห็นขันไม่แต่กระจายออกไปรูปเวทนาสัญญาส่วนานวิญญาณแต่ละตัวกระจายออกไปแต่ละตัวทําหน้าที่ของตัวเองและแต่ละตัวที่ทําหน้าที่ของตัวเองนั้นไม่มีความเป็นเราแทรกอยู่เลย อย่างนี้ก็ได้นะก็ถอดถอนความเห็นผิดว่ามีเราได้เหมือนกันมีหลายแบบหลายแง่หลายมุมที่จะดูได้แล้วแต่ว่าจิตจะเป็นไปเองบางทีบางวันมันก็มองมุมนี้บางวันมันก็มองมุมนี้มันจะพลิกไปพลิกมามันค้นคว้ามันศึกษาของมันเรื่อยๆถึงจุดที่มันแจ้งมันก็ตัดเองแต่เราไม่รู้หรอกนะว่าเราจะเปลี่ยนพลิกเข้ามุมไหน ใช่อย่างนี้ก็ได้แต่ความจริงจิตมัวนะอย่าไปแก้มันให้หายต้องใจถึงนะมัวก็สอนธรรมะเราถ้าจิตมัวเรารู้ว่าจิตมัวใจเป็นกลางกับความมัวจิตใจสงบสุขนะจิตใจตั้งมั่นมีความสุขรู้ว่ามันมัวแต่จิตใจสบาย วันไหนจิตใจดีเบิก บ, บานจิตรู้ด้วยความเป็นกลางนะทั้งมั่นมีความตรงตัวสูงสงอยงู่นั่นนะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นจะไปรู้อารมณ์ที่ดีหรือที่เลวที่สุขหรือที่ทุกข์จิตจะเสมอกันนี่ไม่ต้องไปดิ้นรนว่าอันนี้จิตมัวทํ า, ายังไงจะใสแต่ใหม่ๆ ห, หัดมันอดดิ้นรนไม่ได้นะหลวงพ่อนี่เป็นนักดินเลยนักต่อสู้อะไรไม่ดีเกิดขึ้นต้องสู้ตาย สู้ไปนานกว่าจะจับหลักได้โอ้ลำบากแคบตานี่มาบอกพวกเรานี่แหมแบบเดกระเป๋าบอกง่ายๆบางคนไม่เชื่อนะว่าอะไรมันจะง่ายอย่างนั้นที่จริงง่ายที่สุดเลยธรรมะนั่นแหละธรรมดาแล้วไงดีง ออมันก็้อจอ่อนนะ้าแดดสีสันรรมดนุกสนุกเฉๆแบยังไม่เนลยเออไม่เป็นไรใจมันดื้อที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะมันรักตัวเองที่สุดมันคนไม่ได้ที่ตัวเราจะไม่มีมันจะดิ้นรนให้ตัวเรามีมันจะรักษาความเป็นตัวเราให้ได้จะดิ้นดิ้นจนกระทั่ ง, งวันหนึ่งสติปัญญาแก่รอบนะดูไปทีไรเห็นแต่ไม่มีเห็นแต่ไม่มีจนปัญญาติก๊กยิ่มรับ ถ้าไม่ดูจกนกระทั่งจนมุมนะั้นไม่ยอมหรอกจะดิ้นไปเรื่อยๆบางคนพอคันกระจายตัวออกไปเห็นไม่มีเรานะตกใจนะตกใจกลัวบางคนรู้สึกว่าเวงเวงวางไปหมดนะวอ้เราหายไปไหนเราหายไปไหนมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจันทรนวลสิริคนนี้ก็ภาวนาะลำบากกลับตา ม, มาหลายปีนะทรมานมากเลยกลับวิธีปฏิบัตินี้มึงมาตามรู้ตามดูเปี่ยนจากการกําหนดมาเป็นการตามรู้ตามดู วันแรกเนียดูไม่เป็นงงไปหมดเลยวันที่สองเนี่ยเห็กนกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตเริ่มแยกออกมาวันที่สามมันมีแสงสว่างพุ่งขึ้นมาปั๊บขันหน้ากระจายตัวหมดเลยเห็นขันห้ากระจายตัวไปแต่เสร็จแล้วตกใจว่าเราหายไปไหนเราตกใจหายไปไหนจิต่อยไปถอยออกมาถ้าไม่ตกใจนะั้นดูเรื่อยๆไปนะจะต้องรู้ไปเลยรู้ความจริงแต่ยอมรับได้ก็พ้นไปได้จริงๆไม่ได้ยากั ที่พวกเรากําหนดผิดนะสติก็ไม่ถูกสมาธิก็ไม่ถูกปัญญาก็ไม่ถูกเครื่องมือของเรามันเบี้ยวเบี้ยวบิดผิดไปก็เลยรู้ธรรมะไม่ตรงความจริงอย่างสติเนี่ยเป็นความระลึกได้แล้วก็ไปแปลสติว่ากําหนดกําหนดจะเชื่อด้วยโลภะนั้นการกําหนดเนี่ยมีโลภะแทรกตลอดจิตจะเกิดสติตัวจริงไม่ได้เลยเพราะจิตจะเป็นอักุส่วนซะล้ เรือสติเนี่ยคือความะระลึกได้ะระลึกได้เพราะจำสภาวะได้อะไรเป็นเหตุให้สติเกิดอกีรสะสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดหนที่จิต จ, จำสภาวะได้จำได้แม่นจำได้อย่างมั่นคงกีรสะสัญญาเราั้นหน้าที่เราต้องหัดรู้สภาวะเป็นจิตจำสภาวะแม่นเพรอแม่นแล้วสติเกิดเองพวกเราที่ฝึกมาช่วงนี้สติเกิดเองกันได้พูดผลัดนะที่พู ด, พ, ดพูดกันมาแล้วเนี่ย และสติไม่ใช่จงใจไปกำหนดนั่สติระรึก ข, ขึ้นมาได้ถึงสภาวะที่ปรากฏขึ้นสมาธิไม่ใช่เข้าไปจมแช่อยู่ในอารมณ์ไม่ใช่เข้าไปแช่อยู่ที่ลมหายใจที่มือที่เท้าที่ท้องหรือไปเพ่งจิตเข้าไปแช่นิ่งๆอยู่ที่จิตที่ความว่างนี่ก็เข้าไปจมแช่ใช้ไม่ได้สมาธิที่เข้าไปจมแช่แค่สมถะส่วนสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตในการรู้อารมณ์ ไม่ใช่เข้าไปตั้งแช่ในตัวอารมณ์ความตั้งมั่นของจิตไหมจิตมันทรงตัวตั้งมั่นอยู่นะแต่ม่เห็ น, นรูปก็ส่วนหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารส่วนหนึ่งกระหาเลยแยกออกไปจากจิตจิตเป็นแค่คนรู้คนดูทําหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองทีนี้ปัญญาถึงจ้เกิดปัญญาเกิดเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันเป็นคนดูมันก็เห็นตรงความเป็นจริงเออทุกอย่างทั้งรูปทั้งนามเปิดระดับเปิดระดับเนี่ยเป็นตรงความเป็นจริง แต่ถ้าเข้าไปแช่ไม่มีอะไรเกิดดับนะมีแต่คงที่นิ่งๆิ่งอยู่แล้นจิต ท, ที่เข้าไปจมแช่แต่จิต ท, ที่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ไม่เหมือนกันกลับข้างกันเลยพวกเราเวลาฟังธรรมะถ้าไม่ได้ศึกษาตัวสภาวะให้ดีจะพลาดเคพื่อสติก็เอาไปกําหนดสมาธิก็เอาไปตั้งแช่มันได้ฌานและสัมปะ มันคือการเพ่งตัวอารมณ์เรียการมานุมานิชฌานเพ่งตัวรมไม่เห็นลักษณะคลิกทีดเดียวนะจิตใจสบายพลิกจากคนทํามาเป็นคนดูเปลี่ยนจากคนทํามาเป็นคนดูเมื่อวานอาจารย์วิวัตรเห็นเป็นไ ม, มายมอหาเปรับหนึ่งแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อคําเขียนท่านเขียนหนังสืออะไรนยผู้ดูผู้เป็นอะไรเนี่ยแล้วก็ไปแปลเป็นการแปลคาเนี้ย เป็นภาษาอังกฤษแต่หนะังสือเป็นภาษาฝรั่นแบบไปแปลว่า watching not d o i n งไม่ใช่ดู i n g ไม่ได้ทำนี่ถือสภาวะธรรมนะถ่ทอดออกมาด้วยคลิปเลยเป็นแค่ผู้ดูเท่า น, นั้นไม่ใช่ผู้ทำนี้พวกเราชอบเป็นผู้ทำโลภะมันเกิดทำอะไรกำหนดกำหนดรูปกำหนดนามไม่ใช่ผู้ดูรูปดูนาม กำหนดใจก็เกิดสมถะเกิดปีจิตผลลุกผลชันตัวลอยตัวเป่าตัวโปร่งตัวหนักตัวเล็กตัวใหญ่ตัวลอยเป็นตัวลอยนัย้นลอยคนคือหนึ่งรู้สึกผลลุกสู่งต้ารู้สึกบุบบ้าบ้าร่านงะนะกายของสมถะที่พวกเราหลุดพ้นจากตัวนี้ไม่ได้แล้วค่ชั่วแล้วสบายแล้วเราไปนี้จิต จ, จะเดินของมันเองนะจิต จ, จะดําเนินของเขาเองนะหน้าที่ของเราก็คือรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไป ทุกวันซ้อมรู้สภาวะไว้แล้วก็ที่เหลือจิตเขาจะทำเอง้เปิ้ลงกันปยายะอนาตน่าถ้าเความความคิดมจะมีสุขุะมีปิ้ลจะไดันบงเอูล้วลคือตัวความคิดเนี่ยไม่มีสุขไม่มีพุ้งอะไรขณะที่คิด น, นะ แต่เสร็จแล้วก็คิดแล้วเนี่ยมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลนกุศลตามหลังมั้นเคยมีคนถามพระพุทธเจา้าบอกถ้าแต่ ร, ร่ำผูจรเรือนก็มีการมาราคะท่านบอกท่านไม่มีการมาราคะเพราะท่านไม่มีกามาวิตกตท่านไม่ตรึกท่านไม่คิดนะกามราคะมันตามหลังกามวิตกนะท่านไม่มีพยาบาทไม่มีโทสะเพราะท่านไม่มีพยาบาทวิตก ท่านไม่ได้บอกนะว่าท่านไม่มีกามราคะไม่มีพยายามเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ไม่ได้บวชอย่างนีท่านไม่ได้รู้สึกว่าท่านเป็นอะไรแต่ท่านบอกด้วยเหตุด้วยผลเลยว่าที่ท่านไม่มีอย่านี้เพราะไม่มีอย่านไม่มีเหตุก็ไม่มีผลสิอธิบายธรรมะน่าฟังนะะเวลาเราศึกษาปฏิบัติใจแล้วเราไปอ่านธรรมะของท่านนะโอ้แม่เป็นซับถึงถึงใจนยทําไมท่านตอบแง่นี้มุมนี้ เราออกมาจากการปฏิบัติล้วนๆเลยหรือถ้าเป็นคนทั่วๆไปก็จะบอกโอ้ผมไม่มีการมาราคะหรอกผมเป็นพระนาคาระท่านบอกท่านไม่มีการมาราคะาท่ า, านไม่มีการมาวิตกท่านไม่ได้บอกว่าท่านมีท่านเป็นเลยไม่ได้พูดเรื่องความมีความเป็นอะไรต้องไงอีกแต่วาก็ได้คือก็มีตัวอื่นคือไม่ใช่ตัวอื่นเาะแต่ว่าต้องอาศัยรวมไปด้ว ก็เป็นสู่การทำงานที่จะเจอที่เจอตัวเอที่มีขนาดี้คะแลีอะรเ เออแต่ น, นี้มันมันยังไม่สมุูเณ <S S> ์ใช่ไหมเวลามันจิตถ้าไปเกาะเกี่ยวอารมณ์พอเรารู้ทันก็คลาย <S S <ห>เดี๋ยวก็ไปเกาะอีกเพราะว่าเกตุของมันยังมี <S S S งเรายังไม่แจ้งในอริยสัจเรายังรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นยังต้องดิ้นรนไปด้วยเป็นคราบสาร <S S 3> ให้รู้ด้วยใจเป็นกลางอครับรู้ลงปัจจุบันไปด้วยแล้วอย่าไปเกลียดมันมันจะเลือกเหมอมันยังเลือกนะการใดที่มันมีทางเลือกเช่นเรายังเห็นว่ามีสุขกับทุกข์มีดีกับชั่วมียากกระเยียดมีภายในภายนอกแเราก็จะเลือกเอาของที่ดีๆของที่สุขุการใดที่จะมีทางเลือกนะจะเอาดีเอาสุขเอาสวยแต่ถ้าเมื่อไร่สติปัญญาแก่รอบจริงๆกายนี้ทุกล้วนๆจิตนี้ทุกล้วนๆ มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมอเนี้ถึงจะวางถ้ายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขว่างก็จะดิ้นหาความสุขไปด้วยไม่หวางแล้วเพนรู้สึกไหมใจยังเลือกใจยังอยากได้อันนี้ใจยังอยากปฏิเสธอันนี้เพราะน้นให้รู้ทันรู้ลงปัจจุบันไปก ร, ระทบอารมณ์อันนี้ใจพอใจรู้ว่าผ่อนใจนะอารมณ์นั่นเป็นอดีต้วความพอใจเป็นอารมณ์ปัจจุบันเรียรู้ลงปัจจุบันกระทบอารมณ์อย่างหนึ่งเช่นเห็นไอ้คนนี้เปลี่ยนหน้ามัน มีโทสะเกิดโทสะเป็นอารมณ์ปัจจุบันนะแต่ทนาจิตที่ไปรู้ว่ามีโทสะขนาจิตเนี่ยเป็นปัจจุบันโทสะเป็นอดีตนแล้วพยายามรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยแต่ว่าอย่าไปพยายามหาปัจจุบันนะอท่านไหนปัจจุบันอยู่ตรงไหนตรงนี้เสร็จเล ย, ล ค, รเรยค่อยๆเรียนไปค่อยๆจิตค่อยๆเข้าใจไปเดิมจิตมันจะชอบตกไปสู่อดีต เวลาเราเห็นอารมณ์มันหนึ่งขึ้นมาพอไปดูตัวนี้ปุ๊บเนยไม่เกิดอะไรใหม่ๆนี่จะไม่ดูล้วเช่น mm hmm. พอเห็นหน้ารมณ์นี้เกิดขึ้นมาจิตเกิดยินดียิไนไลไม่ดูจะดูแต่อารมณ์อันนี้แล้วจิตมันตกไปสัวร์ดิเหมือนเวลาเรานั่งรถไปเลยนั่งรถไปนี่เป็นง่ายนั่งรถไปเราดูหน้าต่างแลนะตาเราผ่า น, นไปเรื่อยๆเราเห็นไหมตามันจะเป็นสะดุดอะไรแล้วไปเกาะ อ, อยู่ที่นั่นนิดหนึ่งเดีือดมันจะต้องตกไปอย่างนี้ก็นั่งรถต่อไป ขยับตามานะั้นนั้นดูไปได้ทีดียวเดี๋ยวมันก็ไปเกาะอีกจิตก็เหมือนกันนะจิตก็เหมือนรูปกตาที่ไปเกาะรูปนี้นหะมันจะตกไปจากปัจจุบันในขณะขณะขณะมีหน้าที่รู้ลงไปรู้ลงไปไม่งั้นใจจะไปค้างคาอยู่อดีกเราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมโทสานี้ไม่หายสัิท<ม>ีเพราะจิตไม่ได้รู้ปัจจุบันนะถ้าจิตมีสติรู้ปัจจุบันจริงโทสาจะมีไม่ได้เด็ดขาดกิเลสจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้เด็ดขาด ท่านเป็นน่กรณีที่าเคยเรีจนรู้ค่ะรักขลุ่มันเข้ามาแล้วทิ้ง้าใจใช่มันจงใจดูไงมันยังจงใจดูอยู่แต่ว่าเบื้องต้นเพื่ออาศัยจงใจไปก่อนไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ารู้ผ่านว่าจงใจเขใช้ได้เมื่อต้นมันก็จงใจบ้างแหละแต่จนกระทั่งสติไปจริงเกิดทีแรกจงใจไปหันดูสภาวะจำจิตจาสภาวะได้หลังจากนั้นไม anyway, ่ต้องจงใจแล้ว สภาวะเกิดสติเกิดนม่จะต้องเกิดเองนะคือในที่ธรรมเขาจะแยกเขาจะสอนบอกว่าจิต ท, ที่เป็นมหาคุณสนเนี่ยที่ประกอบด้วยปัญญามีสี่ดวงคือเกิดเองแต่ต้องชักชวนให้เกิดแล้วประกอบด้วยสมนัสกับประกอบด้วยเวกขาจะมีปัญญาแต่ว่าจิตสี่ดวงนี้เอาไปทํำมิปัสนาตสมาธินั้นไม่เหมือนกันนะ ดีกรีของปัญญาก็ไม่เหมือนกันปัญญาของสมถะนี่เป็นแค่ความฉลาดในการที่จะไปสู้กับ น, นิวรณ์เท่นั้นเหมือนปัญญาของวิปัสสนาเนี่ยรู้จริงรู้ความเป็นจริงของกายของใจของรูปของนามดีกรีของปัญญาไม่เท่ากันแล้วปัญญาตัววิปัสสนามันจะเกิดเนี่ยนะเมื่อต้องไม่จงใจอนาะสังขาริกรรมไม่จงใจแต่สมถะจงใจให้เกิดน้อมใจไปทําน้อมใจไปทา เัรมันจะมีรายละเอียดซึ่งในตำราจะไม่ได้พูดไปอหมางนกันแต่ว่าเราไปดูจากการปฏิบัติแลเห็นมันกน็ยังแยกได้แยกตำราจะก้าวไม่ดเดีเดี๋ยววันนี้ได้แค่นี้ให้คุณอมราเป็นไงดีดีนะล่ะ แ, แต่ทำไมลูกชายบอมบมมนิดหนึง่งลูกชายมีโมหะหน่อยหน่อ ย, อยคุณแม่น่ยดี